บุกท <Book> <68. S 3> ูหกสิบเอดเอนอีเอดน่ดนลำดับเลขชี้สลีเอ่ยนี่เร็ดนี้ เ, เดเดือนแรกคือเดือนม ก, การาคม ปเปอร์วิเอต์เมสเซจ์เอ้ยานุอารีเดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์สตอรีเอตเมสเซจ์เอ้เฟบรุอารีเดือนที่สามคือเดือนมีนาคม เดือนที่สี่คือเดือนเมษายนเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม เดือนที่หคือเดือนมิถุนายนเดือหเดือนมือนครึ่องปี ม ก, ก ร, ราคมกุมภาพันธ์มีนาคมยันนัรีเฟเวรวมาร์ยน์ีมาร์ทเมษ า, ายนพฤษภาคมและมิถุนายนอปริวไมยอียูนีอปริวไม เดือนที่7็ดคือเดือนกรกฎาคมเศมิตสซเอยูริเเดือนที่8ดคือเดือนสิงหาคมเอสเมียตเ s a ซิเออูกุสตเเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน เดือนที่9คือเดือนกันายนเดือนที่10คือเดือนตุลาคมเดือนที่11คือเดือนพฤศจิกายน เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม 12เดือนค с อ1 д ีกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนยูเลยอฟกุสต์เซปเทมบรียูลฟตรตุลาคมพฤศจิกายน และธันวาคมออกตุมบรีโนเอมบรีอีเดมบรีอกต r มบรีโนเอมบรีอีเดมบร